بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط التاسع ويحتوي على سوره الكهف مريم طه الانبياء نعمบท الكهف บท الكهف เป็นบท مكيه อันดับที่ 18 มีทั้งหมด 110 องค์การเป็นบท 1 ใน 5 บทที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์บททั้ง 5 คืออัลฟาติห์อัลอัลอออัลกาฟิซาบะและฟาติห์ดังกล่าวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญให้เกียรติแด่อัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งเทิดทูนความศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์ยอมรับความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรความเคร่งกล่อม และความสมบูรณ์ของพระบทนี้ประมวลเรื่องราวความเป็นมาในอดีตที่สําคัญ 3 เรื่องด้วยกันโดยยืนยันถึงความมุ่งหมายหลักอันดับแรกเพื่อนเน้นหนักถึงการเชื่อมั่นและการศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เรื่องแรกคือเรื่องของชาวถ้ําซึ่งมีชายหนุ่มกลุ่มนึงยอมเสียสละชีวิตในแนวทางต่อการศรัทธาเชื่อมั่น ตอบพระผู้เป็นเจ้าแห่งศาสนาโลกที่เข้าไปพำนักอยู่ในถ้ําแล้วก็หลับไปเป็นเวลานานถึง 309 ปีหลังจากนั้นอัลเลาะห์ทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เรื่องที่ 2 คือเรื่องของนบีมูซากับบ่าวที่ดีชื่อว่าคอทิรเป็นเรื่องการแสวงหาวิชาความรู้ทรงเปิดเผยให้บ่าวที่ดีของพระองค์คือคอทิร บ่าวคนนี้ถึงแม้ว่าองค์การจะมีได้ระบุว่าเป็นนบีแต่สำนวนขององค์การที่ใช้กับบ่าวคนนี้เหมือนกับที่อัลกุรอานใช้กับบรรดานบีคนอื่นๆนักบูชาการและปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจึงมีความเห็นว่าข้อตรีเป็นนบีได้รับทราบโดยที่นบีมูซาไม่สามารถล่วงรู้ได้ถึงเบื้องหลังของสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจนกว่าข้อตรี จัดการในเขาซะนั่นคือเรื่องเรือเดินทะเลเรื่องการค้าเด็กกําพร้าและการบูรณะกําแพงเรื่องที่ 3 คือเรื่องซุลกอร์นายเขาเป็นกษัตริย์ซึ่งอัลเลาะห์ทรงให้เขามีความเข้มแข็งยํเกรงและมีความยุติธรรมโดยให้เขามีอํานาจปกครองอย่างกว้างใหญ่ไพศาลตามคําเรียกร้องของประชาชน นอกจากเรื่องทั้ง 3 แล้วบทนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงอีก 3 เรื่องเพื่อชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสัจธรรมนั้นมิได้สัมพันธ์กับการมีทรัพย์สมบัติมากมายหรือมีอำนาจล้นฟ้าแต่สัจธรรมนั้นสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อมั่นและการศรัทธาตัวอย่างแรกกล่าวถึงเศรษฐีที่อวดว่าอวดมีต่อทรัพย์สมบัติของเขา กับยาจกที่มีความภาคภูมิใจในความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวอย่างที่ 2 นี้กล่าวถึงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้และสิ่งที่ติดตามด้วยความดับสลายและการสูญเสียตัวอย่างที่ 3 กล่าวถึงการหญิงยะโสและการจองหองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิบลีสที่มันปฏิเสธไม่ยอมคารวะต่ออาดัมจนกระทั่งถูกเฉดหัวออก จากความเอ็นดูเมตตาของอัลเลาะห์เรื่องราวต่างๆตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้นํามากล่าวไว้เหล่านั้นก็เพื่อเป็นมิทัศอูทาหรณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แนะและเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในคลอบที่ถูกต้องนั่นเองบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลกอฟิก็เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้า และเรื่องประหลาดเกี่ยวกับชาวถ้ําส่วนใหญ่ขององค์การบทนี้คือประมาณ 71 องค์การจากจํานวนทั้งหมด 110 องค์การกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆในอดีตคือเรื่องของชาวถ้ําเรื่องของชาวสวนเรื่องของอาดามกับอิบลีสเรื่องของมูซาเกี่ยวกับบ่าวที่ดีคือคอดรีและเรื่องของซุลกอร์นายส่วนองค์การที่เหลืออีก 39 องค์การเป็นคําอธิบายประกอบ หรือวิจารณ์เรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมาแต่ละเรื่องนอกจากนั้นเป็นการกล่าวถึงบางส่วนของภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันปรโลกและภาพลักษณ์แห่งการดำรงชีวิตตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคำพี่แก่พวงบ่าวของพระองค์ และพระองค์ไม่ได้ทรงทําให้มันบิดเบือนแต่อย่างใดใครมันยืนดรบาซาชะดีดมิลดุวะยุบชิรอัลมุอ์มินีนอัลละซีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตวะยุบชิรอัลมุอ์มินีนอัลละซีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตอันละฮุมอัจรันฮะซะนาเป็นคัมภีร์ที่เถียงธรรมเพื่อเตือนสัมทับถึงการลงโทษอย่างรุนแรงจากพระ และเพื่อแจ้งข่าวดีกับบรรดา ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فقاไม่มีความรู้ใดๆในเรื่องนี้ และบรรพบุรุษของพวกเขาก็เช่นกันเป็นคำกล่าวที่น่าเกลียดยิ่งที่ออกมาจากปากของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้กล่าวอันใดออกมา นอกจากความเพ็ด ถ้าพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี่อินนาญะอัลนามาอะลาลอดดิซีนะตะนลาฮาลินะซลูวะฮุมอัยยุมอะห์ซะนุอะมะลาถ้าจึงเราได้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นที่ประดับสําหรับมันเพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาว่าผู้ใดในหมู่พวกเขามีผลงานที่ดีเยี่ยมวะอินนาละญะอิลูนามาอะลัยฮาซะอีดันจุรซา <acabar> <Fan -tree> <Fan -tree> <ๆ> และแน่นอนเราได้ทําให้สิ่งที่อยู่บนพื้นดินเป็นผุยผงแห้งแล้งอัมฮะซิบะอันอัศฮาบะอัลเคฮฟวัลระกีมกานูมินอายาตินาอะญะบะเจ้าคิดรู้ว่าชาวถ้ําและก็แผ่นจารึกเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนั้นรึอิซอาวัลคิฏยะตุอิลัลเคฮฟฟะกาลูร็อบบะนาอาตินามินลัดกะเราะห์มะฮ์ ان تنم من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا nah <rishada> จงรําลึกถึงขณะที่พวกชายหนุ่มลบเข้าไปในถ้ําแล้วพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราด้วยเถิด และส่งให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราได้อุดหูของพวกเขาให้นอนหลับอยู่ในถ้ําเป็นเวลาหลายปี ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى مال بث أمدا แล้วเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้ใดใน 2 แลพวกนั้น นับเวลาที่พวกเขาอยู่ได้อย่างถูกต้องกว่านะห์นูนะกุซซุอะลัยกะนะบะอ์ฮุมบิลฮักก์อินนะฮุมฟิตะฮ์อามะนูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เจ้าฟังตามความเป็นจริงแท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา แล้วเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาด้วยเรารัดผูกณบนหัวใจพวกเขาอิซกามฟะกาลูร็อบบะนาร็อบบัสสมาวาติวัลอัรฎลันนัดอูวะมินดูนิฮิอิลลาฮาเราะกอดกุลนาอิซะชะฏฏาลาเราได้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขนาดที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่าแล พระผู้อภิบาลของเราคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์มิเช่นนั้นเราก็กล่าวเกินความเป็นจริงอย่าแม่รอฮาอูลายกอมุนตักซุมินดูนุฮิอาลาลายาตูนอะลัยฮิมบิซุลตานบัยน <AUT1> <n antigen> فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا قُلِمْ ثันเหล่า นั้นของเราได้ยึดเอาพระเจ้าต่างๆ จะมีผู้ใดอธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์วะอีดะอะกะซัลตุมูฮุมวะมายะอฺบุดูนะอิลัลลอฮะฟะอูอิลัลกะฮฟิอินชุกุลลุกุมร็อบบุกุมมินเราะห์มะติฮิยาชุกุลลุกุมร็อบบุกุมมินเราะห์มะติฮิวะยุฮัยยิลลุกุมมินอัมริฮิมมิตตากาละเมือพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากพวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาเคารพอื่นจากอัลเลาะห์แล้วดังนั้นพวกเจ้าก็จงหลบเข้าไปในถ้ําเถิดพระผู้บริบาลของพวกเจ้าจะทรง وَاِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا لاเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้น มันจะคล้อยจากพุ่มของพวกเขาไปทางขวา แล้วเมื่อมันตกมันจะเบนออกไปทางซ้ายโดยที่พวกเขาอยู่ในที่โล่งกว้างของมันนั่นคือส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของอัลเลาะห์ผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้ทางนำถูกต้องแก่เขาเขาก็คือผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้องและผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงเขาก็จะไม่พบผู้ช่วยเหลือผู้ชี้ทางแก่เขาเลย وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق درعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئتم منهم رعبا لاเจ้าคิดว่าพวกเค้าตื่น <تصفيق> ทั้งๆที่พวกเค้าหลับ <تصفيق> เราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายสุนัขของพวกเขาเหยียดขาหน้าทั้งสองของมันไปทางปากถ้ําหากเจ้าจ้องมองพวกเขาแน่นอนเจ้าจานหลังตะเลิดหนีจากพวกเขาและเจ้าจะเต็มไปด้วยความตกใจเพราะพวกเขา wa kadhalika ba'athnahum liyatasaa'du bainahum qaal qaa'ilun minhum kam la'ittum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 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا لا ในทํานองนั้นเราได้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อพวกเขาจะได้ถามซึ่งกันและกันคนหนึ่งในพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใดพวกเขากล่าวว่า เราพำนักอยู่วันหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของวันพวกเขากล่าวว่าพระผู้บำรุงของพวกเจ้าทรงทราบดีว่าพวกเจ้าพำนักอยู่นานเท่าไหร่ดังนั้นจงส่งคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าไปในเมืองพร้อมด้วยเหรียญเงินนี้ของพวกเจ้าเพื่อเลือกดูอาหารที่ดียิ่งและให้เขาซื้อมาให้แก่พวกเจ้าและเขาประพฤติอย่างสุภาพและอย่าให้ผู้ใดรู้เรื่องของพวกเจ้า ان انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ถ้าถึงพวกเค้านั้นหาพวกเขารู้เรื่องของพวกเจ้าพวกเขาจะเอาก้อนหินขว้างพวกเจ้าหรือนำพวกเจ้ากลับไปนับถือศาสนาของพวกเขาและเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ประสบความสำเร็จเลย